ว่าด้วยความสุขอันชอบธรรมที่เขาฤหัสควรมีหลักต่อไปนี้เรียกกันง่ายๆว่าความสุขของเขาฤหัสสี่ประการดังพุทธพจน์ที่ตรัสแก่อนาถาบินฑิกะคขาฤหัสบดีว่าดูก่อนเขาหบดีความสุขสี่ประการนี้เป็นสิ่งที่เขาฤหัสผู้บริโภคกรรมควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามการตามสมัย ความสุขสีประการนั้นคืออัติสุขโภคสุขอนันนาสุขอนนวชาสุขอัติสุขคือสุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไหนคือกุลบุตรมีโภคอันหามาได้ด้วยความขยันมันเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนยังอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบทมได้มาโดยธรรม เธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่าเรามีโพคาที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนยังอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าอัติสุขโภคาสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไฉไหน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 อ น, นันตสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นนีิเป็นชไหนคือคุณบุตรไม่ติดนีิสินรายๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมณัสว่าเราไม่ติดนีิสินรายๆของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอ น, นันตสุขอ น, นัวัชชสุขสุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษ เป็นไงคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัตว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษนี้เรียกว่าอนนวัชสุข